สมาสัมปุระสะยกมือขึ้นใสหมาแล้วก็นั่งทำบุญมือท้ายวางบนตักมือขวาทับมือท้ายนั่งตัวตร ง, ตรงๆหลักตาเบาๆดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกดูลมเข้าลมออกช ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ พกรรมทำบุญทำบุญคือดูล้มเข้าลมออก ม, มีมลปูมาบอกทำบุญพิธีทำบุญไม่ใช่เอาตะวงจีวอนเอาสิ่งของเอาข้าวเอาน้าอ้ออะไรไปถวายพระว่านทำบุญอันนั้นทาทาง ข้าน้าโคชนะอาหารถวบปีวอนเครื่องงุ้งมหอมที่อาสายยารักษาโรคสองทำทานไม่ใช่สองทำบุญนี่ทำบุญทำแบบนี้ทำบุญทำแบบนี้ทำบุญดีขึ้นได้ไหมทำทุกวัน อยู่ที่บ้านคือกอดที่นอนที่นอนของตนเองแต่ละคนแต่ละคนไม่ต้องรวมผมรมก็ได้แต่ละคนแต่ละคนก่อนจะนอนให้ทําอย่างนี้ทุกวันนั่นแหละทานศีลบุญทานศีลสมาธิคนเข้าใจว่าทําบุญทําบุญแต่ว่าเอาของไปถวายพระก็ว่าทําบุญมันเป็นทําทานสําหรับร่างกายทํำบุญคือเมื่อกณฑ์เห็นไหมดูลมเข้าลมออก บุญอยู่ที่ลมถ้าเห็นลมกับสบายถ้าไม่มีลมใจกว่านี้แล้วการดูบุญดูใจดูลมไม่ได้ซื้อถ้าได้ซื้อหลวงปู่ไม่บอกหรอกคนไม่เข้าใจส่วนมากไปวัดเพื่อทำบุญไปวัดทำบุญเอาของไปให้พระจุ่มก็ว่าทําบุญสิ่งของไปไปทุกวันมันร้นวัดแล้วร่นกุฏิแล้วของสังกทาน บุตรหลังใหญ่ๆไม่มีที่นอนหรอกพระมีแต่ของสังฆทานเต็มหมดอ <c oughs> ของบุญนี่ไม่พระไม่บอกโยมทำบุญผลตุดท้ายโยมก็เลยหลงทางเอาแต่ของไปตะไว้ค่ะใส่ปา ก, ก็ไม่ใช่ว่าเอาเข้าวเอาอาหารจากเดียวทุกวันนี่มีช้อนมีขวดน้ำ ม, มีขวดอะไรต่ออะไร ข้าวสารบางทีก็อาหารแหง้งบางอะไรก็เต็มโล้นบาทเหลือบาทไปของแต่งกายของรักษากายทําทานทั้งขาลรร่างกายของเรามันไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เก็บตายแตงใจของเราที่เที่ยงแท้แน่นอนชุกทุ ก, กอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ร่างกายทั้งขาล่างกายจะสุกทุกได้ยังไงทั้งขาล่างกายเกิดแล้วแก่เจ็บตายชุกอยู่ที่ใจนี่ ใจแช่ใจถึงนลมใจมีความสุขเห็นไหมเมื่อกี้หนึ่งนาทีมีความสุขไหมรักก็ไม่มีโลกก็ไม่มีในทําไปเถอะนั่นแหละเครื่องปกป้องคุ้มครองเราบุญกุศลย่างรักษาผู้ทําบุญไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากไม่ให้ลําบากตรงๆถ้าคนไม่เข้าใจ ก, ก็อะไรก็เป็นนนโยบ้านไม่ดีหินหน้านบ้านไม่ถูกขางตั้งหน้าพักก็ไม่ทุกขางตั้งโน่นจะเก่งเกบ้านเพ่งอะไร ต้องเพ่งมาที่ใจของเราบ้านมันดีอยู่แล้วจะไปตั้งหนี้ที่ในบ้านที่ไหนก็ดีหมดแต่ที่ใจของเราดีหรือยัง <S <S ดูนี่ลมเข้าลมออกเนี่ยทุกคนมีกี่คนทุกคนก็มีบุญทุกคนทำบุญคนนี้ก็ทำบุญคนนี้ทำบุญบุญทุกควาุ้มคองบุญย่ญญอมรักษาผู้ทำบุญไม่ให้ตกไปทางที่ชั่วไม่ให้ตกทุกได้ยาก พระประเทศไทยไมีกี่ลูกไม่บอกโยมทําบุญโ ย, ยมมาอะไรถวายสังฆทานถวายจุฑากุติยนถวายสังฆทานโยมตรวจน้ำโยมไหนเราทำบุญไม่บอกพระไม่บอกโยมก็ไม่รู้โยมก็เลยเข้าใจว่าเอาของจะถวายพระเป็นการทําบุญทําทานทําทานอาหารตายอาหารใจได้เลี่ยง ไ, ไหมที่นี่อาหารใจคือลมแต่ไม่ไม่ดู ก็ถูกอปู่ที่ลมถ้าเห็นลมก็เห็นกลมสุกเห็นสวรรค์สวรรค์ที่ลมใจอยู่ที่ลมถ้าเห็น ถ, ถ้าถ้าถ้ามีลมก็มีใจถ้าไม่มีลมใจก็นี้แล้วนะแต่ทําไมไม่ดูละ่ะอาหารใจไม่มีได้ซื้อไม่ดูไปเถอะไม่ได้ซื้อเราน้ำเข้าน้าเข้าเป็นเนื้อใสอุปนิสัยเป็นวาสนาะเป็นบารมีดูบ่อยดูบ่อยดูบ่อยตอนเราเฉลี่ยชีวิตเราก็จะรู้ลมเห็นลมลมก็พาไปสวรรค์ ถาไม่เคยเห็นลมนั่งกายก็าพาตกมนุกใช่ไหมเขาทิ้งหมดให้หมดะอะไรจะพาไปกรรมพาไปกรรมดีหรือกรรมทั่วมีสองกรรมหนึ่งกรรมดีสองกรรมทั่วหนึ่งกรรมบาปสองกรรมบุญกรรมคือถือนี่ถือกรรมดีหรือถือกรรมทั่วถือบุญหรือถือบาปนั่นอะไรล่ะเป็นบาปอะร่ํารวยสวยงามบุญคืออะไร ล, ะล่ะลมเบาถ้าลมมันไปได้มันพาไปสวรรค์ได้ ถ้าของหนักพาไปไม่ได้บ้านช่องหรือสังขารร่างกายพาไปไม่ ไ, มได้ไม่ทําไปเถอะไม่ได้ซื้อน่ะอาหารใจไม่ได้ซื้อดูไว้เถอะน่ะก่อนหลับก่อนนอนดูไปเถอะหนึ่งนาทีไม่เป็นไรขอให้ดูได้หนึ่งครั้งวันหนึ่งหนึ่งนาทีอาหารใจหนึ่งนาทีแต่งใจรักษาใจเลี้ยงใจหาอาหารเลี้ยงใจหนึ่งนาที ไม่ได้ซื้ออาหารใจทำไมไม่ดูล่ะแล้วกต่เกิดมาเคยรู้ไหมแต่ร่างกายล่ะเตียงเท่าไร่แต่งผมวันนึงเท่าไหรแต่งหน้ า, นน า, าวันหนึ่งเท่าไหรลูกหลานทุกวันนี้เขียนเชี่ยวทาปากทาเล็บทาอะไรเล็บมือสามสีสีสีเชี่วดีๆเขียนใหม่ขนตาดีๆปลูกใหม่เล็บดีๆเอาเล็บผีมักต่อไหม่ก็ไม่รู้นะเพราะเขาไม่รู้จัก พระไม่ทำบุญเพระพระไม่บอกทำบุญนะกรปฏิบัติธรรมนี่ก็คือการทำบุญนั่นละทำบุญก็นี่ละทานศีลบุญทานศีลภาวนาคำของพระเจ้าให้เจ้าดวงทำอะไรพระเจ้าได้แต่ต้องทานศีลภาวนาภาวนาทำบุญภาวนาเดมนต์กพระนนจริงคือทำบุญนี่แหละตีให้เข้าใจง่ายทานศีลบุญนี่เท่ากัทำบุญเดี๋ยวเราพูดกัน่วนกันไปบัดไปทำบุญไปทำบุญ นั่นเห็นไหมมิเตาของไป็นถวายให้พระยุ่งก็ว่าทําบุญไม่ทําบุญต้องไปนั่งสมาธิไม่ใช่ไปวุ่นวายวัดเห็นม้ไหมดอกงานน้องงานนี่เขาไปเราไปวุ่นวายหาพิธีเวียนเทียนเวื่สาขมาคาบจุดทูกเุดเทียมเผาวัดเผาบ้านเผาเมืองนี่เป็นนั่งไหวนี่นี่ดอกบัวไป็นบูชาแต่วันอุปสมบทวันอะไรวันมาคาวิืสาขาประตูนี่ดอกไม้เทียนดูลมหายใจเขา ดีกว่าเขาไอเขาที้งบุญทิ้งนี้กวองไม้กองดอกไม้กองทุกงกงเกล็นราคาดอกไม้เท่าไหร่มันเป็นจริงจริงเนี่ยคนเราไม่ถูกตาพระสงไม่ถอนให้โยม ท, ท, ทําบุญผลทุกท่าก็พากันหลงไปหมดสอนแต่บอก บ, อกบอกากทานบุญทานนี่ <c oughs> ถามลอยบาตรไปขึ้นสวรรค์ในขั้นนงองนองหละอเปล่ากูดไปแต่เรื่องยกกองปัป้นแตเรียกงานเนะ่ะเรื่องบุญที่ไม่ได้เสียอะไร ไม่ได้ซื cat, ้อ But จักบาททำไมไม่บอกโยมทบุญพระไม่เคยเห็นบุญพระไม่เคยเห็นบุญพระจะบอกยังไงล่ะพระไม่เคยดูบุญไปท่องเขาทำตาของพระเจ้าจุดเรียนเสียนาตตีทําโท่ําเหนประโยค5้าประโยคสิบอะไรว่าไปนี่หละบากโยมทำบุญโวมไปวัดก็ไม่บอกทําบุญเปื้อนน้ำยมถวายสังฆทานโยมจุดธูตจุดเดียนยอมจะอยู่แค่นั้นสิไม่ใช่หรอมูทำเหน็บนะแต่หลักเหตุผลไปเง้นทาบุญปีวัดปีนึ่งสิบวันยี่สิบวัน จะบอกคาทานข อ, ข, อของมาถวายพะระแบบน้าําไหวจับโยมนะอะไรแค่นั้นนะทําท บ, บุญจะได้อะไรเป็นเครื่องทำต่อไปล่ะมิได้หาของไปถวายพระถวายพระในยุ่งนั่นนะคนเราชอบยุ่งฟังเสียงมันชัดนะถ้าบอกคาบุญมันจะยุ่งอะไรเอาบอกอางานสมาธินะโยมก็เข้มขืขนๆก็หับอนนอนทานข้าวทานน้าหาดหน้าหาดท่าดูลวงพ่อหลวงปอทุกวันทุกวันนะต้องทุกวันนะ เมือร่างกายของเรากินเป้าทุกวันทุกวันอาหารใจให้กินทุกวันไหมเราอยู่กับใจถ้าไม่มีใจตายแบบเผาทิ้งหมดนะให้สุดนี่มีมันไม่มีปัญหาอะไรเรื่องต่างๆ่างนะทำย่อมรักษาผู้มีธรรมทาบุญให้ทําบุญไม่ใช่แต่พอ่อไทยทำเรแต่ฟังนิดหน่อไม่ชัดเจนนะให้ทําบุญพระมาบอกให้ทําบุญนะไม่ใช่ว่าเอาของทานว่าทําบุญนะทําบุญคือทํา ดูสมใจน่ะดูใจนะดูจจดลมพ่อผม บ, บอกเรินนะ่มมาเพิ่มตัวโ น, โนโ้นตันี้โยมอาถรรพ์หลวงูหลวงพ่อมาบ้านละท่องมาแวะบ้านแวะช่องมาบอกให้ทําบุญปฏิบัติให้ทําบุญให้รักษาใจมีคหนะั่งกายจะไม่รักษาต้องไหนผมไม่เท่าก็แจกก็เจ็บปตายรักษาใจเราอยู่กับใจถ้าไม่มีใจก็ไปปตายแหละอาหารใจให้ใจแต่งใจรักษาใจจรงรักษาใจ รักษาให้ลมเข้าลมออกในการรักษาใจไม่จากไม่ซึย่ำดุลกุศลุกุศลที่หลวงปู่มาแนะมานํามาสั่มาสอนทรงปกป้องคุ้มครองบุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าก็ทำก็ส่และสิ่งเกิจตางๆะวมาปกป้องปกปตเติราติพี่น้องตรงมแตรพมสุขพรมเจริญสุขใจุกใจหาจากภูุขาภูไฟตางงานที่ใดเป็นเงเป็นไรัฒนาเงนใอกรดดกระด็เด็นย่ำดำัฒนาทุกประการเิ